แง่คิดจากหนัตอนเมืองไม่มีสี What are we gonna do, Bob? Well, we're safe for now. Thank goodness we're in a bowling alley. บทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเสียอรรรสในการชมภาพพิยศ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 เมื่อถูกกล่าวหาว่าตนเองทำให้เมืองปั่นป่วนชักชวนผู้คนละเมิดกฎข้อห้ามจนทำลายรูปแบบความสงบสุขเดิมๆไปถามว่าแน่เหรอที่การมีสีสันย่อมดีกว่าเป็นสีขาวดำการปล่อยให้กิเลสทำงานดีกว่ากดข่มมันให้อยู่ในร่องในรอยหรอก็อย่างที่เดวิดพูด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 สู้กดขมมันไว้ให้ความเป็นคนดีออกหน้าจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าเปรียบให้สีขาวดำแทนความสงบตั้งมัน่นถามว่าคุณจะสงบตั้งมั่นเป็นคนดีได้นานแค่ไหนจะบังคับกดขมให้กิเลสสีสันในใ จ, จแสดงฤทธิ์ตลอดการได้หรือเปล่า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 หมดสิ้นความยึดมั่นถือมั่นเสแล้วบทความโดยชลนินจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ห้าบห้าเสียงอ่านโดย 做错。